ขอความสุขความเจริญจะมีแล่ท่านสาธาชนทั้งหลายประสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องปานสูตรคือประสูตรที่ว่าด้วยสิ่งที่ทรงสอนให้บุคคลพยายามลดละปรากฏในสตกธธิกาิบาตังกุตรนิกาย เช่นเดียวกับประศุทธีกล่าวไว้ในวันเสาร์ก่อนวันเสาร์ก่อนนั้นเป็นการพูดถึงธรรมะที่ควรประพฤติปฏิบัติในที่นี้ก็สอนก็พูดถึงธรรมะที่ควรลดละสมายความว่าก็อยู่ในกลุ่มของสมุทยัยกลุ่มของกิเลสเั่นเด็กทรงใช้คําว่าเป็นสังโยชน์ คือกิเลสที่ครองใจผูกใจสัตว์เอาไว้ภาษาที่เรียกชื่อกิเลสนั้นเรียกยะไอ้สิ่งที่เป็นรู ป, ปรธรรมเป็นเครื่องมือในการสื่อสารในการเรียกบางอย่างก็เรียกว่าอนุัยแปล ว, ว่าเป็นตะกอนใจที่นอนสงบอยู่ภายในใจตานองตะกอนนอนอยู่ใต้ก้นพัชนะ มีอะไรมากระทบแตัวกรแล้วก็ขึ้นมาการกระทบนั้นอาจจะกระทบจากข้างนอกหรือกระทบข้างในลักษณะอารมณ์กิเลสก็เป็นเช่นนั้นถึงสังเกตว่าบางครั้งเราก็อยู่เราเงียบๆอยู่ดีๆอาการกิเลสก็ไม่พูดขึ้นอะไรแต่พอดีก็มีคนมาทําให้เราเกิดความชอบความชัง กิเลสก็เกิดขึ้นในแต่ละสายบางครั้งไม่มีใครทำอะไรมาจากข้างนอกแต่เราก็เหนียวนึกตรึกนึกเรืองนาจของความกำหนัดความขัดเคืองความรุ่มหลงความมัวมเมากิเลสมันก็เพิ่มก็แสดงว่าเพิ่มมาได้ตั้งจากข้างในและข้างนอก บางครั้งบางคราวก็มีการผสมผสานกันเช่นว่าเรากำลังไม่สบายใจแล้วก็มีใครมาทำสเสียงรบกวนในกิเลสปรเภทโทสะมันเกิดขึ้นมายความาเกิดมาจากข้างในเป็นเชื้อรออยู่แล้วด้วยแล้วก็เกิดมาจากข้างนอกกันแท้หรือบางครั้งบางชาวใจมันกรสันอยากในอารมณ์เรีนได้อย่างหนึ่งอยู่ แล้วก็มีคนมาเสนอในเรื่องทํานองเดียวกันเราก็โจนเข้าไปรับเลยเแสดงว่าเกิดขึ้นในเงื่อนไขทั้งสองประการแต่ถ้าเรามองสาวไปอีกครั้งหนึ่งคือลึกงจริงๆประการจะเ ก, เกิดความรู้สึกหรือเกิดอาการอย่างนั้นขึ้นมามันก็ไม่ใช่ทุกกรณี เยังแต่ว่าในกรณีใดที่เรามีเชื้อความอยากหรือความชังสิ่งเดียวนั้นอยู่อาการความรักความชังก็เกิดแต่บางอย่างเราไม่รู้อะไรเป็นอะไรอาการความรักความชังก็ไม่เกิดแต่มันก็เกิดอาการไม่รู้แล้วก็นำไปสู่ความเครียดแกรงสงสยัยตกลงก็เกิดอยู่นั่นเองนะฮะยังแต่ว่าเกิดกิเลสคนสายกัน ในที่นี้ทรงแสดงหลายสูตรต่อๆกันทรงใช้กิเลสเจ็ดกองเช่นเดียวกันแล้วก็จะเรียกว่าสังโยชน์บางครั้งจะใช้คำว่าการถะแปลว่าปลูกมัดร้อยรัดเอาไว้หมายความว่าสิ่งอะไรก็ตามที่ปลูกมัดเอาไว้ร้อยๆเอาไวนะ้ มันก็จะสูญเสียอิสรภาพคือขาดความเป็นตัวของตัวเองไปไหนก็ไม่ได้คล้ายๆกับคนที่ถูกมัดขังเอาไว้มันไปไหนไม่ได้ใจที่ถูกกิเลสเหล่านี้กลุ่ม ร, มรุมเอาไว้แม้เพียงข้อเดียวก็จะเป็นเช่นนั้นคือจะสูญเสียความเป็นอิสระบางทียังเรียกว่าโยคะแปลว่าสิ่งที่ขังไว้ใกล้ๆโอโคนศาสต์เป็นขังกรงไว้มันก็ไปไหนไม่ได้เช่นเดียวกัน ถึงโน้นนั้นที่จริงมันเป็นสิ่งภายนอกแต่กิเลสที่เกิดขึ้นครอบงาใจเราตรงเรียกชื่ออะไรสารพัดอย่างเนี่ยมันไม่ได้จริงๆแต่เป็นจิตที่ยอมสยบของเราสรบใดที่เรายังไม่หินโทษแล้วก็พยายามลดละเราก็ติดอยู่กับอำนาจของกิเลสตัว น, นั้นเป็นบ่วงที่ผูก แต่ว่าเหมือนกับไม่ผูกเพราะมันไม่ได้ผูกจริงๆอย่างเชือกข้างนอกเป็นอาการของใจที่ยอมยอมจำนวนยอมสยบลักษณะเหล่านี้แม้ในเรื่องอื่นๆเราให้ลองสังเกตนะว่าคนที่นับถือเทพเจ้าสูงสุดนับถือพระพรหมนับถือพระเจ้านับถืออะไรก็ตามนะฮะจะมีลักษณะยอมสยบ ไม่ยอมคิดแสวงหาหนทางสืบถือว่าเป็นพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจา้าเป็นการดีคิดของพระพรหมเป็นการลงโทษของพระผู้เป็นเจา้าเป็นพรหมมลิกิตอะไรเนี่ยนะฮะเราจะยอมสยบไปหมดไม่ได้คิดค้นแสวงหาทางที่จะสลัดพันธนาการตรงนี้ออกไป เรงการเกิดของาศาสดาทั้งหลายเนี่ยมันเกิดจากท่านไม่ยอมสยบแทนที่จะหยุดอยู่ในจุดซึ่งคนอื่นเ็าเคยยอมสยบมาก่อนท่านไม่ยอม ท, ท, ท่านท่านท่านศึกษาค้นคว้าแล ะ, สะแสวงหาทางสมัยพระเจ้าเองคนก็เกิดมาจากพระพรมมกับความเชื่อถือของคนในยุคนั้นพระพรมเป็นผู้สร้างขึ้น สิ่งต่งางก็ขึ้นอยู่กับพรหมลิขิตรพรหมลิขิตมอนพิถีวิถที่หน้าผากแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรก็ไม่ได้ก็เกิดรัติยอมจำนุนบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อผลสองประการเป็นการประจบประแจงท่านต้องการลาบผลผลประโยชน์ต่างๆต้องการความสุขความเจริญลาบยศสัน ส, สุข เราต้องการแม้ท่านโกรธกลัวท่านจะลงโทษเราเพราะเราจะเห็นพิธีกรรมเหล่านี้จึงมากเด้วยการบง่งสวงการเส้นสวงพิธีกรรมต่างๆคนทุ่นเสียเวลาไปอแค่ไปนั่งกราบกราบไไว่ายว่ายไปไว่ายกบกราบกันเลยและแม้แต่ว่าบางลทัทธิบางนิกายที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเช่นมัสสน า, าพุทธเราที่ไปเผยแพร่อ ย, อยู่ในประเทศทิเบต ถ้าเราไปนับเวลาไว้ยไหว้ ก, กราบรนะกราบบวงสงฆอ้อนวอนเนี่ยนะเยอะเหลือเกินวันวันทกันจังนะอย่างสวดมนต์ในสวดต้องพักดื่มน้าชานะ่คอแข็งหมดสักทีสอสามชั่วโมงกราบทีนึงเหนื่อโชคทั้งตัวกราบเป็นอัสดางขาประดิดยืนนะฮะยืนขึ้นกราบของเรานีนเป็นจางกับประดิดของท่านอัสดางกับประิดต้องยืนฮะ กรก้มมือพนมมือก็เหยียดมือแล้วก็ย่อตัวเ ย, ยอะๆยะไปลแต่ส่วนใหญ่จะมีลักษณะบวงสวงอ่อนบอนอันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าที่เบตนับถือผีมาก่อนเราก็ไปเข้าไปเผยแพร่เมื่อศตวรรษที่สิบเอ็ดเราไปต่อสู้กับรัที่ปอนปะที่นับถือผีในการบวงสวงอ่อนบอนเส้นสวงพวกผี คนที่ไปเผยแพร่มันก็ไปปราบผีครูลูกปัตมะสมภพกันไปปราบฉีทีทีเบตในที่พน ต, ตรงนี้มันมีสิ่งลี้ลับปาซับจันยอยู่แยะที่คนศึกษาค้นคว้าไปไม่ได้เพราะความสูงชันของภูเขาความหนาวเหน็บของอากาศประเทศที่ถูกปิดด้วยหมอกต่างๆมันมีเรื่องเยอะที่คนยังไม่ถูกแระที่เหล่านี้ก็ยังครอบงำความคิดแล้วก็เราจะเห็นว่าจะไม่คิดต่อ แต่ลักษณะเป็นการยอมสยบตัวนี้จึงกลายเป็นพฤติกรรมทั้งหลายโยแยะไปหมดเลยนะฮะแต่ถ้าเรากลับไปสืบสาวไปสืบสาวถึงที่ไปที่มาเนี่ยมันก็เป็นอาการของกิเลสเพียงแต่ว่าระดับใดระดับหยาบระดับกลางระดับละเอียดในตรงนี้เป็นการพูดถึงอาการภายในจิต หมายความ่าจิตที่ทําปฏิกิริยาต่ออารมณ์ซึ่งมากระทบหรือว่าเหนียวนึกนะฮะมีสองอย่างหมายความมากระทบจากข้างนอกหรือตัวเองเนียวนึกตรวนึกขึ้นมาเองสองข้อแรกก็คือเป็นอารมณ์ประจำนะฮะในชีวิตเนี่ยก็เรียกยินดียินร้ายข้อหนึ่งก็ความยินดีข้อสองก็ความยินร้ายหมายความว่าความรู้สึกรักชังความรู้สึกพอใจไม่พอใจ อารมณ์ที่มากระทบที่จริงท่านทั้งหลายลองสังเกตวา่าเวลาเรากระทบอารมณ์เนี่ยมันมีเฉยๆอยู่ด้วยแล้วเฉยๆในค่ อ, อน ข, อข้างมากนะฮะที่จริงเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ทำปฏิกิริยาอะไรกนะับจิตก็เฉยก็เฉยนะฮะกิเลสมันก็ไม่ผูกขึ้นอะไรธัามมะก็ไม่เกิดก็เรียกว่าบุญไม่ทํากรรมไม่สร้างนะ หมายหมายความไม่มีอะไรเด่นท่านจึงไม่เคยออกมาพูดอารมณ์มันจะออกมาสามที่จริงไม่จะออกมาสองหรอกมันออกมาสามคือยินดียินร้ายก็เฉยๆทีที่เราสืบถามไปอีกระดับหนึ่งเนี่ยฮะว่าที่เกิดยินดียินร้ายนี่มาจากอะไรมาจากความรู้ถ้าไม่รู้จะไม่มีทั้งยินดียินร้ายแต่จะไม่มีความไม่รู้แต่จะมีความไม่รู้ มันจะเป็นอาการกิเลสอีกสายหนึ่งคือสายโมฆะแล้วก็พัฒนาขึ้นไปจากสายโมหะที่ท่านแสดงสาวลึกๆขึ้นไปว่าภายในจิตเรานั้นมีสิ่งที่ปรุงจิตอยู่สองอย่างคือสัญญากับเวทนาทีาเรียกว่าจิตสังขารเป็นสัญญากับเวทนาเพราะสิ่งอะไรก็ตามที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนแสดงว่าเราไม่มีสัญญาไม่มีเวทนา สัญญาคือจำเวทนาคือสิ่งที่เราสัมผัสเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นดีใจเป็นเสียใจมันก็เก็บสะสมไว้ภายในใจเป็นความจำถ้าเราอะไรที่เรามีความรู้สึกดีได้เห็นเราก็ดีใจได้ยินเราก็ดีใจสุดลมก็ดีใจลิ้มก็ดีใจจับต้องก็ดีใจก็แสดงว่าเราต้องมีสัญญากับเวทนาความรู้สึกตรงนี้จุเห็นไหมฮะตัวนี้สังขาตรตัวนี้ในขันห้านะสัญญาก็เป็น เป็นขันเวทนาก็เป็นขันมันก็เป็นตัวกรุงจิบเราแต่ในนี้ถ้ารู้เสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรที่เราไม่เคยจําไว้มันก็ไม่มีเวทนาเมืเ่อไม่เวทนามันก็ไม่มีความยินดียินร้ายแต่คนเรานั้นเป็นสัตว์โลกที่อยากรู้อยากเห็นเห็นแม้ก็อยากรู้อยากเห็นก็เกิดสงสัยแล้วลองสังเกตว่าเรื่องสงสัยอยากรู้อยากเห็นเนี่ยเป็นอ น, นมาที่สร้างเด็กพิการขึ้นในโลกนี้ ไปเจอระเบิดก็สงสัยเนะีเคาะดูระเบิดเปี้ยงตายเกลื่อนอยากดูเห็นว่าธรรมชาติขาไม่รู้ก็อยากดูอย่างเงี้ยอยากดูอยากชิมสิ่งเสพติดแพร่หลายเนี่ยมีเยอะที่มันเกิดจากอวิชามีเกิดจากอวิชาก็มีมีเกิดจากความโลภความอยากก็มีมีเกิดจากโทสะคือชิงชังต้องการประชดใครคนใดคนหนึ่งก็มีนะฮะ เดี๋ยวสาวไปเราจะเห็นว่าเออเนี่มันมาจากกิเลสเนี่ยนักวิชาไม่รู้ไม่รู้แต่อยากลองนะเขาว่ากันอย่างนั้นว่าอย่างนี้ก็ไปลองไปลองดื่มไปลองเสพไปลองสูบในสุดก็ติดพอติดมันก็กลายเป็นเป็นโลภะเห็นไหมฮะเกิดมันอยากอยากบีบมากมาเล่นทางกายทางจิตจิตมก็ผูกมาอยู่ก็อยากไปอยากไม่มีตะต่างซื้อมาดังซื้อก็ประกอบอาถรรพกรรมอาถรรกรรมก็ออกมาในรูป ก, ก็ ก็ดับขนาคนตัวเองนี้ทั้งหมดนี่ที่จริงมันก็มาจากตรงนี้ที่พระเจ้าทรงเริ่มมาจากตัวสังโยชน์คือมันมีสิ่งผูกใจเรอยจบกตั้งแรกก็คือการกําหนดอารมณ์ด้วยความรักความชังทันทีมันจะเพิ่มมันจะเพิ่มรักช่งแล้วในที่สุดนี่มันจะไปหลงติดอยู่ในความรักความช่ ง, งหรือสิ่งที่เรารักเราช่งพฤติกรรมในอกาศ ต, ต่อไปก็คืออะไรก็คืออคติ เห็นไหมเสมอคนที่เรารักเนี่ยแม้ไม่ดีเท่าไหร่เราก็ปกป้องคนที่เราชังถึงดีเราก็ก็ถือเราปฏิเสธเขาแมันก็ออกมารูปอกติคือแนวฉันถากติกับแนวโทสากติเป็นการลำเอียงเพราะความรักความชังแล้วถ้าเราเก็บภายในใจใจมันก็สายใจมันสายไปด้วยความรักความชังแล้วมันเลื้อยไปด้วยความรักความชัง แวาลักษณะใจที่มันเลือ้อยมันก็กลายเป็นอาการกิเลสอีกเยอะแยะเต็มไปเนี่ยมันก็มาที่จริงมาจากรักจากจักมันเลื้อยไปเรื่อยในสายของความรักมันก็เลื้อยไปสู่คนสู่เหตุการณ์ต่างๆในอดีตเพราะความดีงามของคนในอดีต ท, ที่เราว่าเอาเองนะคนอาจจะรักรักของมาให้เราก็ได้แต่เราชอบเราก็เราก็เชียร์เขาเราก็พอใจเขา คนนี้เคยทำประโยชน์ต่อเราคนนี้เคยทำประโยชน์ต่อญาติพี่น้องของเราเราก็ชอบแต่เมื่อมันมีทั้งรักทั้งชังเนี่ยคนมันก็มีสองกลุ่มกลุ่มคนที่เราชังเขาเกิดไปทำความดีกับคนที่เราชังเห็นไหมคนคนหนึ่งเนี่ยเขาอยู่เฉยๆแต่เ็ไปทำความดีกับคนที่เราชังเรากเกิดชังเขาด้วยล้วเกิดชังก็ด้วยคนคนหนึ่งเขาอยู่เฉยๆเขามาทาความดีกับคนที่เราชอบเราชอบเขาด้วย นั่นคือลักษณะที่ยิงมันมาจากรักสังรักชังไปอยู่ภายในใจเราแล้วใจมันก็เลื้อยไปเรื่อยๆเลื้อยไปสู่อารมณ์อดีตแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับคนแต่แม่นี่ของของคนที่เรารักอันนี้รถของคนที่เรารักนี่บ้านคนที่เรารักเราจะดูแลให้ใครไปหยิบไปช่วยไปทําลายไม่ได้เราปกป้องก็งปกไปเรื่อยนะวงศากนายา น, นะวงวานว่านเพื่อเนื้อหน่อ ย, อยที่ว่ามันเลื้อยไปเรื่อยๆเลยเราจะเห็นสืบสาวเชื่อมโยง นี่หลานของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนอะไรเนี่ยเห็นไหมฮะหลานของเพื่อนของเพื่อนต่อกันไปเป็นแถวบางทีหลานของดองนะของดองของดองอีกทีนึงเห็นไหมมันก็ลากกันไปนั่นคือลักษณะความรักเยอะมันมันบางหลาประเภทมันเลื้อยแต่ท่านทั้งหลายเห็นว่าถ้าถึงจุดหนึ่งมันเปลี่ยนบาทีมันเปลี่ยนล้มละลายทั้งแถวเหมือนกันหมายความพอเราไม่ชอบคนนี้เลยไม่ชอบลากไปเรื่อยเลื้อยไปเรื่อยอีกสายเนี่ยสายของความชัง ประลบอดีตเหมือนกันประลบอนาคตปัจจุบันเหมือนกันเพราะอารมณ์ตัวนี้จึงเป็นอารมณ์ที่ผูกไกนะแล้วก็ตัดไม่ขาดอย่างที่โลกกันนิดเขาว่าไปสองอันเนี่ยนะฮะรักกันอยู่ขอฟ้าเขาเขียวเสมออยู่ขอแห่งเดียวร่วมข้องชังกันบ่แลเหลยวตาต่อกนันนาบังของฟ้ามาป้อ ง, ป, องป่าไม้มาบางังนั่นแสดงว่าเป็นเรื่องของความความรักกับความชังเป็นการสะท้อนภาพไปดูทั้งสองภาพ มันไม่ได้มีเชือกจริงๆมันไม่ไ ม, ไม่ได้มีผูกโยงว่าจริงๆจะผูกโยงด้วยใจใจใครใจเรากําหนดเราเองเห็ในไหมใจเรากําหนดเราเองโดยการกระทำของเขาด้วยโดยการกําหนดของเราด้วยแต่จริงๆแล้วนี่เราเป็นตัวหลักนะเพราะเราสังเกตว่าคนที่เราเราไม่ชอบแน่ยก็ทำดียังไงเรามันใสอ่ะเรามั่นไส้ เ, เขาทั้งๆ ท, ที่เขาทาดีนะ แล้วถ้าหนักกว่านั้นคือไปริษยาเขาเห็นไหมไปแข่งดีเขาแล้วบางทีก็อาจจะด่าว่าเขาค่อนแค่เขาเพราะอะไรเพราะจริงๆเราช่งเขาตอนนั้นบคนที่เรารักแล้วมันน่ารักไว้เสีอหมดเลยทั้งทั้งที่มันด่าเราด่าแล้วยังน่ารักไงลูกหลานด่าก็น่ารักบางทีก็ไปไปไ ป, ไปขอร้องไปขอโทษอะไรแต่ไรเขาทั้งทั้งที่เขาด่าเราเ นั้นก็อยู่ที่ใจเรามากกว่าตัวเขาเพราะถ้าคนที่เราปักใจลงไปแล้วในทํำยังไงก็ดีไปหมดถ้าเราชอบแต่เราไม่ชอบทํำยังไงก็ไม่ดีหมดนั่นคือลักษณะของสภาพจิตที อ, ถ, อถือว่าเป็นตัวปัญหามากๆก็ต้องใช้กรรมรักชัางในสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตรที่เราบรรยายกันมาตั้งนานแล้วนะยังไม่จบสักทีไห น, น เกือบยี่สปีเองไม่จบเลยพระเจ้าสงชัยคําสองคํำกันอภิชากระโทมนัดเห็นไหมฮะต้องการอภิชาอภิชาคืออะไรคือรักแต่ว่ารักมากแบบเพ่งเล็งโลภอยากได้สงซ้ายคําแรงว่าเพ่งเล็งโลภอยากได้มองคิดถึงนะเพ่งเล็งด้วยไรด้วยด้วยด้วยด้วยด้ตาก็ได้ด้วยใจก็ด้ฮะโดยใจนี่เป็นหลักฟังด้วยหูก็ได้แต่อยากได้ ตัวโดมด้วยจมูกก็ได้จะเกิดอยากได้แล้วแล้วถ้าคุมไม่อยู่มันก็ออกไปรูปอัดอยากก ร, รมเป็นพวกกาเมเป็นพวกตินาเป็นพวกปานาเนีย่ยพวกมูสาก็แล้วแต่นะั้นจะแรงขนาดไห น, นไม่ออกได้ทั้งหมดเลยโทมนัสก็คือความชังความชังยนตายเป็นความโกรธและความเครียดแค้นเาจะเห็นว่าโทมนัสปกติเราใช้ในรูปเวทนาคือความทุกข์ ถามมาทุกอะไดพราะไม่ชอบนะเรียนนะฮะจริงๆมันเป็นเรื่องเราไม่ชอบถ้าชอบเราก็สุขเพราะงั้นท่านจึงใช้ว่าเป็นอาการของความชังแต่ว่ามันชังแรงนะฮะออกมาในรูปของโกรธนะคับแค้นดืดอัดขัดข้องไม่สบายก็ออกมาในรูปของการต้องการเครียดแค้นทํำลายล้างนี่ก็คือเรื่องของความรักความชังอารมณ์โลกมันก็เป็นอย่างเงี้ยก็มีอยู่สองเรื่องอย่างงี้ ใจก็จะถูกผลักสายให้ไหลไปตามความรักหรือความชังประลบปัจจุบันเพลิดเพลินชื่นชมในการกระทําของคนคนหนึ่งเราเห็นว่าบางทีเนี่ยเขาไปทําชั่วมาแต่เรามีส่วนแบ่งด้วยเราชอบเขาอันแสดงว่าใจแขวงมากใจแขวงไปแยะชื่นชมยินดีว่าคนนี้ก็บังทําประโยชน์ต่อเราทําประโยชน์ต่อญาติพี่น้องของเรา ก็ทำความดีเหมือนกันแต่ไปทำกับคนที่เราไม่ชอบเราเกินไม่ชอบเขาเขาก็ทำความคนที่เราที่เราอาจจะไม่ชอบนะฮะแต่พอดีก็มาทำความดีกับเราหรือทำความดีกับญากพี่น้องขางเราความกรดมันลดลงไปนะความกลัดลดลงไปแล้วก็ปรเดี๋ยวก็หายนะเพราะเราคิดตัวเองอะ่ะตั้งแรกตั้งชากในจิงเราคิดตัวเองเขาก็เป็นเนี่ยที่เขาเป็นแต่เราไปคิดตัวเอง แล้วก็ปัญหาก็เกิดขึ้นที่เราเองบางทีคาดหมายผลเรื่องอนาคตเพื่อเปลือนชื่นชมยินดีคาดหวังตั้งความหวังเอาไว้ว่าคนนี้ต่อไปจะเป็นประโยชน์ต่อเราต่อไปจะเป็นประโยชน์ต่อญาติพี่น้องของเราแล้วก็ต่อไปจะเป็นทูนคนที่ช่วยป้องกันขจัดศัตรูให้แก่เรานะชื่นชมยินดี ทำนายล่วงหน้านะทำนายล่วงหน้าเอานั้นเป็นลักษณะการคาดหวังท่าเมื่อไหรจะเห็นว่าภาพตรวนี้ที่จริงมันมีภาพหนึ่งคือแฝงอยู่คือจะผิดหวังคนที่รักนี่ฮกลับทําให้เราช่างได้คนที่เราช่างก็กลับทําให้เรารักได้มันก็ อ, อยู่กับความรู้สึกของเราด้วยนะะแล้วก็การกระทําของเขาแต่ว่าการกระทําของเขามีดีผลน้อยกว่าความรู้สึกในจิตของเรา ตรนี้จึงเป็นสังโยชน์ที่ผูกใจตราบใดที่ยังมีความรักความชังอยู่ภายในใจตราบดัดมันก็เชื่อมโยงใจเรากับเขาอยู่ตลอดแล้วใจเราจะเปลี่ยนขึ้นขึ้นลงๆกับความเปลี่ยนแปลงกับเขาตลอดนะคนที่เรารักมีปัญหาเราก็มีปัญหาด้วยขอโดยสารมีปัญหาด้วยคนที่เราชังมีปัญหาเราสบายใจเพราะเขาจเจริญก้าวหน้าเรามีปัญหาทันทีเลย เกิดครียดแค้นเกิดดิสยาเกิดไม่สบายเกิดถึงขวงโอสารพัดหลายหาเรื่องเห็นไหมคนที่เราที่เรารักเขาทุกเราทุกด้วยคนที่เราชังเขาทุกเราดีใจแต่พอเขาสุขเราทุกเห็นไหมหาเรื่องใส่ตัวทางนั้นเลยหาเรื่องใส่ใส่ตัวทางนั้นวัดตรงนี้ถ้าตัดรักชังออกมันจะไม่มีทั้งทุกทั้งสุก ถ้าทุกข์ก็ทุกข์เพระเราเป็นเหตุถ้าสุขก็สุขเพระเราเป็นเหตุถ้าทุกข์เอ่อถ้าทุกข์ก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันหมายความว่าถ้าใจเราไม่เอื้อมเอาเราเข้าไปเชื่อมความรู้สึกเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นทุกข์ก็มีเฉพาะเราตัวเดียวคนเดียวไม่ต้องไปรับผิดชอบไม่ต้องไปเดือดร้อนต่อคนอื่นจากจุดนี้เองท่านจะเห็นว่ามันสร้างอิทธิพลของความพยาบาทกับความเหยียดเบียนความริษยา เห็นไหมจริงๆพุทธก็มาจากรักชังแต่ร so ักชังนี่นําไปสู่ความพยาบาตหมายความว่าชังมากข้าวก็กายเป็นปบาตทีนี้คนที่ที่เราชอบเนี่ยนะครับที่เราชอบเนี่ยจะนําไปสู่ความกรุณาช่วยเหลือเขาช่วยเหลือแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่เราชังก็นําไปสู่การเบียดเบียนเห็นไหมอยู่ตรงกันข้ามระหว่างกรุณากับ บีหญิงสาทีนี้พอคนที่เราที่เรารักเขาได้ดีมีความเจริญเราก็มุทิตาพกคนที่เราชังเราเกิดริษยาต้องลงว่าปัญหามันมันจะมาจากใจน้อมใจน้อมเข้าไปรับโดยอํานาจของความรักความชังในคนในสัตว์ในสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ผูกใจผูกใจเอาไว้แล้วก็ตัดไม่ขาดนะอย่าง อย่างที่โลกนิทว่ า, า, วามาไวมนกันมีบุตรบวงหนึ่งเกี้ยวพันคอสะบูบบาตาครอหลวงไวเหมันไม่ใช่เชือกจรเดี๋ยวไปเชือกใจเป็นเชือกใจปัญญาเยื่อบ่องปอรึองรัดบืน้นาสามบ่วงใครพ้นได้จึงพ้นสงสารปัญญาสามีก็เหมือนกันนะนะฮะแต่นั้นแสดงว่าพรลโลกนิทผู้ชายแต่งฮะถ้าผู้หญิงแต่งก็ว่าว่าอีกแต่ก็ประการต่อไป ค, อคือคือมิจฉาทิฐิ วิชาทิตถินั้นก็อยู่ที่หยาบกลางละเอียดนะฮะที่หยาบแรงๆเนี่ยที่ที่ที่เคยเจอบ่อยนะได้แก่วิชาทิิที่มองโลกในแนวของวัตถุนิยมที่จัดตัดสินชีวิตกันแบบเกิดมาหนเดียวตายหนเดียวแล้วก็พยายามแสวงหาความสุขตอบสนอง ความต้องการของตนนะเฉพาะในปัจจุบันก็ตายแล้วก็เชื่อแล้วกันไปพวงนี้จะเป็นความคิดที่น่ากลัวมากแล้วก็สร้างปัญหาตลอดนะฮะถ้าไหนลองลองสังเกตว่าคนที่สร้างปัญหาแก่โลกนั้นคือคนไม่เชื่อกำไม่เชื่อสงสารวัดที่สร้างปัญหาแรงๆอ่ะไม่ว่าสาวไปที่ไหนก็ได้ไปดูถ้าลึกๆแล้วพวกนี้ไม่เชื่อกำไม่เชื่อสงสารวัด มันมันจะไม่ขวาดกลัวอะไรแต่ต้องการแสดงความอารมณ์ตัวเองด้วยความรักแรงช่างแรงที่มาล้างผลาญคนเยอะๆอย่างยิดเลิรเนี่ยแสดงแกไม่ได้กลัวบาปกลักรรมอะไรแต่แกกลัวบาปกรรมแกเชื่อพระเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือเฉยๆของพวกสวงหาประโยชน์ทั้งหลายนะอะไรก็พระเจ้าอะไรก็พระเจ้าแต่บางทีใจก็ไม่ได้ไปนะถ้าไปก็ไม่กล้าทําหรอก กาทําพราะจริงๆแล้วเราเสวยอํานาจระยะสั้นๆแต่เราประสบบาประยะยาวนานไดิดในสงสารเป็นอนเนกพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าในสงสารเป็นอนเนกบางครั้งได้ทรงบอกไปเลยว่าตกนรกเท่าไหร่เนี่ยนะหนึ่งแสนนิรับภูธะนับไม่ไหวเลยไม่รู้อะไรนะคำว่าหนึ่งแสนนิรภูธาหมายหมายความว่ายังไงมันนับไม่ได้เพราะนั้นลึกๆตรงนี้ก็คือความเห็นที่เรียกว่าเป็นนิยตามิชาทิฏฐิ อิจารทิฏฐิที่ปักหนิงลงไปเลยปฏิเสธกรรมปฏิเสธสังสารวัฏปฏิเสธหมดก็คืออกุริยะทิฏฐิถือว่าการกระ ท, ำทํำต้องปวงไม่เป็นการกระทำอายตุกาทิฏฐิถือผลต้องปวงไม่ได้เกิดมาจากเหตุเขาจะไม่รับผิดชอบในตัวเหตุเห็นไหมแล้วในในที่สุดพอเกิดขึ้นมันจะโยนออกกันงนอก ความคิดของคนพวกนี้ถ้าเราไปศึกษาความคิดเขาดูนะครเขาเกิดความสับสนในสิ่งมี้เขาคิดเพราะมันมีอวิชชาบัญญัติเวลาเขาพูดเนี่ยเขาพูดถึงสิ่งมีชีวิตแต่เวลาเขายกตัวอย่างเนี่ยเขายกตัวอย่างสิ่งไม่มีชีวิตเช่นพูดเรื่องบาป บ, บุญเนี่ยก็บอกบาป บ, บุญไม่มีการกระทําไม่เป็นการกระทําผลไม่มีเอเยตุกติธิคือคือผลทั้งหลายไม่ได้มาจากเหตุ ถ้าบุญบาปมีจริงก็แสดงว่าเวลาฝนตกรดน้ําต้นไม้ฝนก็ต้องในบุญเลยเออกไปโน้นเลยแต่จเจมอมันไม่มีชีวิตทั้งสองอย่างเลยถ้าบาปมีจริงก็แสดงว่าเวลาฟ้าผ่าต้นไม้ฟ้าก็ต้องบาปสิไปเลยนะฮะไปเลยแล้วคนก็เชื่อนี่คือลักษณะจุดอ่อนของคนในโลกเนี้ที่ท่านสันใจท่านว่าไว้ว่าในโลกนี้คนโง่งมากหรือคนฉลาดมากเนี่คือคนไม่ได้คิดต่อไป ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นมันมันมันมันจะต้องมีสืบสาวเขียนไปได้แล้วมีความสมเหตุสมผลอย่างนี้ตัวตัวอย่างง่ายๆที่พระเจ้าสอนในนักบวชที่อาบน้ําในแม่น้ำโขกาในจิ้งเราคิดไกลต่อจากจุดนี้ได้เยอะนะยตัวนี้ถือว่าอาบน้ําในแม่น้ําโขกาแล้วจะหมดบาปพระเจ้ารับสั่งถามถ้าหมดบาปเราจะเป็นยังไง ว่าตายไปแล้วจะบังเกิดในสวรรค์ก็สรุปว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่ลงไปในแน้ํำผูกกาแล้วก็จะไม่มีบาปอะไรสี่ท่ายัางงั้นมันก็ต้องได้บทสรุปอย่างนั้นนะะตักกศาสตรมัต้องสรุปอย่างงั้นแกบอกเป็นอย่างนั้นพระเจ้าบอกท่าอย่างนั้นพวกปลาปูกุก้งหอยทั้งหลายซึ่งเป็นสัตว์น้ำจะเดิญเติบโตอยู่ในน้ําตายอยู่ในน้ ำ, นนำมันก็ต้องไม่มีบาปแล้วดังนั้น ถ้าเมื่อไม่มีบาปไปเกิดสวรรค์ก็แสดงว่าสัตว์ในน้ำเนี่ยมันมีโอกาสเกิดสวรรค์มากกว่ามนุษย์เพราะมนุษย์ยังไงมันต้องโผล่ขึ้นมากำหนดนีน่คือสอนให้คิดต่อว่าถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่คนเราไม่กล้าคิดอย่างเนี้ยลัที่ยอมสยบวัตถุสิ่งทั้งหลายมาจากพระพรสมแสดงพระพรมเป็นเหตุหมายความว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุใช่ไหมก็ใช่อ๋อแล้วพระพรมมาจากอะไร พระพมก็ต้องเป็นผลพระพรมก็ไม่ใช่เหตุสิแต่คนไม่กล้าคิดแต่พอถึงพระพรมยอมเลยยอมลัติยอมสยบคนเลยไม่กล้าใช้ภูมิปัญญาปัญหามื่ก็กลายเป็นกันเป็นเป็นปัญหาที่ติดที่ติดตัดตดตดต้งหรือบางครัง้งบางคราวาเนี่ยคนสลาเกเินแบงเนะี่ยรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งเอา้ารางวัลที่หนึ่งทำไมไม่เอาเองอ่ะนี่มาขายทําไม นะปไปพอก็ซื้อร า, างวันที่หนึ่งเราเรียบรีบก็ไปซื้อก็แล้ดีถ้ารางวัลที่หนึ่งจริงอะแกก็เอาไว้เองสิเกี่ยวกขายเราทําไมเราขายไม่กี่บาทอะอันนี้คือคือคือคือคนไม่ได้คิดอะคิดง่ายๆธรรมดาธรรมดาแต่ไม่ได้คิดตอ น, นแนวแนวตรงนี้คือถือว่ามิจฉาทิฐิเนี่ยมันเกิดจากจากไม่ได้คิดไม่ได้คิดจากมีเหตุมีผลแล้วก็ปากอยู่ตรงนั้นเอง ขุยวิชาสงฆาเขามาวัตะขานุคือไปหลักต่อเขำวัตตะมันนิยมไปพูดก็ไม่ไม่รู้เรื่องเป็นเป็นเนสาคําว่าเสอาอะนะเสานี่แปลกนะคนไทยเอามาเรียกแปลกมันมาจากธรรมภาคธรรมภาคก็คือเสาเสาธรรมภาคที่ไปวัดดื้อ น, นะคือเสามันผลักไปไหนไม่ได้เนหะ็นไหมฮะเสานี่มันผลักไปไหนไม่ได้อันนี้เก่งมากเลยเขาเขาเ ข, า ข, า ข, าขาเอามาอธิบายได้ พระพุทธเจ้าออกมาเรียกนะฮะคือคำว่าหัวดื้อนี่เรียกยังไงไม่รู้แต่พระเจ้าตั้งชื่อว่าธรรมพระซึ่งแปลว่าเสาธรรมค่าที่จริงเป็นชื่อของเสา ม, มันเห็นชัดมากเลยว่าผลักซ้ายก็ไม่ไปคว้าก็ไม่ไปผักไม่หมไม่โยกไม่คลอนนั้นคือลักษณะของคนหัวดือ้อหัวดื้อก็คือมิจชฉาทิฏฐิกาเห็นผิดแล้วปฏิเสธหมดปฏิเสธหมดมันก็ย่อยออกมาอย่างที่เคยเจอบ่อยนะ ก็ปฏิเสธเรื่องการทำความดีทั้งหลายสี่เรื่องที่ดันยกมาการให้ทานไม่มีผลการมุชาวไม่มีผลวิธีกรรมต่างๆไม่มีผลการทำดีทำชั่วไม่มีผลสิ่งที่เรียกว่าดีว่าชั่วไม่มีเพราะการกระทำจึงไม่มีผลนั่นก็คือเรื่องกรรมสี่เรื่องแม่ไม่มีคุณพ่อไม่มีคุณโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีสัตว์ตายแล้วเกิดไม่มีอนี้ห้าคือสังสารเศษสังสารลั ท่านบุรีรู้ชอบด้วยตนเองแล้วสอนบุคคลอื่นในรู้ตามไม่มีคือปฏิเสธการสัตย์รู้ของพระพุทธเจ้าเพราะงั้นที่ท่านสอนเรื่องศรัทธาสี่ที่จริงศรัทธาสีพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเองนะฮะเป็นพระอัจฉริยอาจารย์ท่านรวบรวบมาพระเจ้าสอนเฉพาะศรัทธาในพระพุทธคุณคําพุทธคุณไม่ใช่คุณของพระองค์เองนะคุณพระพุทธเจ้าที่มันสากลกี่องค์ก็ตามคุณอย่างนั้นนะ เป็นคุณของพระพุทธเจ้าไม่ใช่คุณของพระสัมมาณัฐโกดมเพียงองค์เดียวทุกองค์มีพระคุณอย่างนั้นแล้วก็เชื่อโยงกรรมสามอย่างที่จริงนั้นพระอาจารย์ท่านสอนเพราะว่ากรรมที่จริงมันเป็นเรื่องของพระธรรมแล้วก็คําคําำยังยงีง้ท่านก็ผูกขึ้นมานะฮะพระ้าจารย์ไปเลยว่าเองนะเรื่องกรรมทั้งสามเนี่ย แต่ว่าเป็นการเอามาคือหมายความพระพุทธเจ้ารับสั่งยาวๆแล้วท่านก็มาผูกคําสั้นๆเอาไว้เพื่อจําง่ายนี่บุญคุณของพระตกอาจารย์ถ้าท่านไม่ช่วยเราก็คว้ากันตาเหลือกเนี่ยกว่าจะเจออะไรสักอย่างเนี่ยตรงนี้ก็คือมิจฉาทิฏฐิที่ที่รองลงมามิจฉาทิฏฐิในเรื่องกรรมเรื่องสังสารวัฏแล้วก็เรื่องของการศัสรู้พระพุทธเจ้าหมายความากรรมกับสังสารวัฏนั้นเป็นเรื่องของธรรมะ สังสารวัตฏเป็นธรรมชาติแต่กรรมเป็นเกิดขึ้นโดยเจตนาของคนบางเรื่องมันเป็นเรื่องลึกซึ้งยากต่อการนำความเข้าใจเราก็อาศัยการเชื่อในพระพุทธเจ้าพระเจ้ทาทรงสแสดงเอาไว้วก่อนนี่มีบัณฑิตลาพธ์คนหนึ่งคือความเห็นตรงกันเน่ยนะแกไกชอบว่าตมาเน้นเรื่องกรรมทางสังสารวัฏไแกก็มาคุยด้วยเดี๋ยวทะเลาะกับอาจารย์แกอาจารย์แกไม่เคยเชื่อ เขาบอกไม่ต้องพูดอะไรมากเรื่องกรรมเนี่ยว่าเรื่องกรรมมีสังสารวัฏไม้พระโสดาบั น, นมีสามประเภทเอกพิชีเกิดอีกหนึ่งชาติโกลังโกละเกิดอีกไม่เกินสามชาติสตตะกตุประมากเกิดอีกไม่เกินเจ็ชาติก็แสดงมีสังสารวัฏมีชาติหน้าก็เท่านั้นเองพระจักรทามีเกิดอีกหนึ่งชาติพระนาคามีจะไปเกิดในพรหมโลกก็แสดงว่ามีชาติหน้า ไม่ต้องไปพูดให้มันไกลๆอะไรเหล่านี้ยมีชาติหนา้าพระพุทธเจ้ไ า, า, าไม่มีชาติหนา้าพระหานั่นมีชาติหน้าเพราะว่าท่านไม่มีกิเลสเป็นเหตุเป็นเกิดในชาติหน้เพราะนั้นคนไม่มีชาติอย่างขีนาชาติีมีเฉพาะพระพุธธพะทธเจ้าพระปฏิพุทธเจ้าพระอาหารหันต์เท่านั้นเองเพราะฉนั้นจะต้องมีชาติอย่างน้อยหนึ่งชาติแล้วอธิบายไปเยอะในในพระไตรปิฎกแปลกว่าคนในยุคนี้มีเยอะเหมือนกันที่แม้จะเป็นพระเองพูดมาในคำตอบไม่มีคำไม่มีสังสารว่าถึงซื่อว่าเป็นความคิดที่แปลก เดีวมาอยู่เป็นพระได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันชักสงสยัยแล้วกันเพราะว่าเป็นชนพระพุทธเจ้านะชนพระพุทธเจ้าแรงมากเรียวว่าขับรถถังชนพระพุทธยาณเดียวน่าอันตรายเนี่ยคือทรงสแสดงเป็นมิจฉาจริงๆและทรงสแสดงต้งๆไว้ชัดมากเป็นสังโยชนที่ผูกใจสัตว์แล้วก็พันธนาการผูกมัดเอาไว้มันไปไหนไม่รอดหรอกมันก็ติดอยู่ตรงนี้เอง เพราะอะไรเพราะว่าเมื we 2014, Actually, we, mean, time, ่อเราไม่มองเห็นคุณค่าของกรรมกับคุณค่าของสังสารวัตรว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยกรรมสังสารวัตรนั้นเราเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้หรอกนะเพราะมันเป็นอย่างที่มันเป็นแต่ว่ากรรมนี่เราทําได้เห็นไหมสังสารวัตรในสวรรค์นรกมันก็มีอย่างที่มันมี่ะมีพระพุทธเจ้าเกิดหรือไม่เกิดมันก็มีเข้ามาอย่างนั้นแหะแต่ว่าเราเปลี่ยนที่เกิดได้โดยการกระทําของเราท่านลองสังเกตปีนหาปัจเจเวขณะสี่ข้อแรกเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เราเกิดมาแล้วเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพรากๆอาจจะให้น้อยลงหน่อยนะะอาจจะให้น้อยลงหน่อยได้แต่กรรมเราเปลี่ยนได้เห็นนะฮะกรรมี่เราเปลี่ยนได้เพราะเรายังไม่ได้ทําเราก็เลือกทําี่จะทําดีก็ได้ทําชั่วก็ได้หาเรื่องตัวเองเดือดร้อนมาทำชั่วไปผู้เจ้าก็เพียงได้บอกให้แท่านเนี่ยอันนี้ทางเสืยบทางใช่ไหมคุณจะเลือกเดินตัวเองก็เดินไปแสดงว่าเรายังไม่ได้เดินเดินไปทางไหนก็ได้ซ้ายก็ได้ขวาก็ได้อยู่ที่คุณเอง แต่ว่าเรื่องแก่เจ็บตายการพระภาคเราเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าหลีกเลี่ยงได้จริงๆก็หลีกเลี่ยงได้นะอยากเกิดเห็นไหมถ้าอยากเกิดมาไอ้นี้มันก็ไม่ไม่ไม่ได้มีเพราะมันมาจากเกิดท่า น, นเด็กคือสาวไปที่เหตุแล้วแก้ที่เหตุเมื่อมีเหตุแล้วจะปฏิเสธผลไม่ได้เราจึงสามารถแก้ที่เหตุดได้เแม้กรรมเนี่ยมันมาจากสุขทุกความเสมเื่อมความเจริญมันมาจากเหตุ เราเกิดมาแล้วเราก็ไม่สร้างเหตุไม่สร้างเหตุเราก็ไม่ต้องได้รับผลแต่พอดีเหตุชาตินี้เราอ่านไม่สร้างชาติก่อนอาจจะสร้างไว้ก็ไดนะ้ก็ไม่แน่เพราะว่าเป็นกระบวนการของกรรมแต่หมายความมาพอยเจอเข้ามาเราสืบสาวที่เหตุไม่ได้เราก็รู้ว่าเนี่ยมันก็เป็นผลของอดีตกรรมก็จบก็สามารถหาข้อยุติได้จะดีล้วก็ไปได้เพลิดเพลินอะไรนะฮะเพราะว่า เป็นเรื่องอดีตมาก น, น้อยเราก็ไม่รู้สการต่อไปนั้นก็คือคือวิจิกิจฉาถ้าตัณหลายจะสังเกตว่าวิจิกิจฉาคืออะไรคือโมหะนะฮะเห็นไหมตรงนี้คือโมหะแรงมิจฉาทิฏฐินี้โมหะที่แรงมืดบอดเลยนะฮะมืดบอดเลยคนมิจฉาทิฐิเกิดขึ้นในโลกแม้เพียงคนเดียวนําความพิบัติสืยหายมาสู่ชาวโลกเลยมากมายกายกอก นำพาโลกสั่งสอนโลกชี้นำโลกไอ้คนฆ่ากันตายอย่างมากกเกิดมาไม่กี่ปี น, นะมาขาดมาก็นไนะอ้มาทาคนตายตะกี่ล้านเนะ่ยในจีนแดงตายเท่าไรในโซเวียตตายเท่าไหร่สงครามต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นการระหว่างไข่ต่างๆในโลกันตายเท่าไรก็นายมาคคนเดียวนายมาคคนเดียวนะเฮเกนนายมากันนะี่ยสองคนเนี่ยนะแล้วมาสตาลีไอเลนินเมาเชิกตรง อะไลแบบมุสโซลิน mm. ีมุสโซลินีมันมันก็ไม่ค่อยแรงไงนะมันจริงๆมันไม่จะขอบมันนิดที่แรงอะไรแต่ที่ที่แรงในยเจอก็เลดินกับสตาลินมาเจอตุ้งนะนี่เห็นนะนั่นคือความเห็นผิดความเห็นผิดพอเกิดขึ้นมาแล้วมันนําคนอินเพราะอะไรเพราะว่านํานําในทางเห็นผิดนี่นำง่ายนะนําง่ายนะฮสดง่ายพูดง่ายเข้าใจง่าย อะไรนะทำบุญศูนย์เปล่าว่าเจ้าได้กินเห็นนะง่ายกว่าเยอะเลยเฮ้ว่าเจ้ามันได้กินไอ้กินไงยิงไนะงนะเราก็ไหว้เราก็ได้ทําบุญเรียบร้อยเรากินหมดเลยทําบุญไม่ได้อะไรเลยได้ยถาวารีวหาทุกทเชียร์เห็นเห็นง่ายกว่าตั้งเยอะเห็นนะเนี่ยภาษานี้จึงสื่อสารง่ายกว่าสื่อสารง่ายกว่าคนจะเข้าใจได้เพราะว่าพื้นฐานคนเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว เข้า ใ, ใจได้ง่ายๆนะแล้วเรื่องบางเรื่องนีนเราจะเห็นว่าอย่างการปฏิบัติบางอย่างที่สงรับรองผล mm hmm. มันเหน็ดเหนื่อยไม่ใช่เล่นนลยนะ mm hmm. จนจะไปได้สมาธิสตินั่งกันแทบตายนะเป็นเดือนๆไม่ได้สักนิดนะ้ mm hmm. ยนั่งทำไมไปดูหนังดีกว่า mm hmm. ะก็ได้ได้ทันทีเลยได้สนุกได้เชี่ยวได้ไปเลยอันนี้นี่ น, น, น, น, นีนี่คือลักษณะมันมันไหล ธรรมดาน้ำนะฮยธรรมดาน้ำคุณจะเห็นว่าน้ำที่ไหลลงจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนั้นไหลง่ายแต่เอาจากที่ต่ำขึ้นสูงเนี่ยเอาขึ้นยากนะเอาขึ้นยากแต่น้ำที่ทดขึ้นมาได้เป็นน้ำที่มีค่ามากน้ำที่ปล่อยไหลไปเดียวลงทะเลแหละเห็นไหมน้ำที่เป็นประโยชน์อยู่ก็คือน้ำที่กักเก็บเอาไว้น้ำที่เก็บไว้ในเครือในอะไรต่ออะไรเนี่ยที่มันเป็นประโยชน์ได้ อั้นจิตจิตจิตใจคนที่ไหลไปตามกิเลสมันจะมีลักษณะอย่างนั้นคือไหลได้ง่ายความเครียดแคลงสงสัยมาจากเรารู้ไม่จริงก็คืออวิชานะฮะอาการอภิชากุย่าทรงสอนสภาพจิตว่ามันเหมือนกับเราเดินหลงป่าเราเดินทางธุระกันดารมาหาทางออกไม่ได้ก็หมุนนะนะหาทางออกไม่ได้ก็มุ มีหลุมบ่อมีฝากน้ำมีอะไรเยอะแยะมึงก็โดนไปก็กว่าจะออกมาได้ก็บกสบายบายเลยช่งอุปมาบางทีมันเหมือนกระทางสองแพร่งในบาลีพระธรรมบทอุปมาว่าทางเสือโครง่งหมายความว่าทางนี่มั น, ม, น, ม, นมันเราแยกไปเนะี่ยมาทางหนึ่งมันมีเสืออยู่ข้างหน้าเราอาจจะโปรง่งอาจจะสบายแต่พอเจอเสือนะไอ้นขนา้างหน้า เอเสือเห็นไหมว่าตรงนี้ที่จริงเรายังไม่เห็นเสือมันทางแยกทายังไงจะไม่เป็นอันตรายกับเสือจะไปพิสูจน์ก่อนหรือเปล่าไม่ต้องไปเลไม่ต้องไปประเดี๋ยวตายเห็นไหมสอนให้ใช้ความเชื่อเชื่อคนที่เขาเห็นมาที่เขาเห็นมาเขาผ่านเขาเจอเสือมาแล้วเขามาบอกเราไม่ต้องไปทดสอบหรอกเชื่อ เพราะว่าแนวแนวของวิจิตกิจฉานั้นก็เกิดขึ้นมาจากอายนในสมมติการคือไม่นำเรื่องเหล่านั้นมาคิดพิจารณาอย่างมีเหตุมีผลแต่ทีนี้ปัญญาในการคิดเราเนี่ยังไงเราก็จำกัดนะนะเราคิดอะไรมากไม่ได้ส่วนหนึ่งเราต้องคิดจากคนที่ควดเชื่อเห็นไหมพระเจ้าจะสอนแวดวงคนใีใไล้ตัวเรา ให้กอเกาะอิงตัวนี้ไปก่อนพ่อแม่ครูบาอาจารย์อะไรแต่นเนี้ยวงวงวงสายกานายาดไหว้ไหว้เลยไหว้ห้าครั้งเราเห็นว่าไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้พระรัตนใจนะเลยครูบาอาจารยกกกกก์ก็อยู่ในกลุ่มตรงนี้เพราะท่านเหล่านี้มีความรักความเมตตาความหวังดีหวังประโยชน์เกือ้อกูลเราเราเราชื่อท่านเราก็ทำตามท่านไม่ต้องไปสงสัยที่จริงเราเราตรงโน้นเราเราเราไม่รู้หรอกแต่เราเชื่อท่าน เชื่อท่านนั้นก็คือปลอดภัยใช้สายใช้ความเชื่อเราพิจารณาในสิ่งนั้นไม่ได้มันเรื่องลี้ลับซับซ้อนนั่นเกินที่นี้บางทีเรามีเราเร า, เรามีพื้นฐานความรู้ใ น, น, นสิ่งนั้นเราก็พิจารณาสิ่งนั้นแล้วก็ใช้ประโยชน์หรืองดเว้นไปตามสมควรแก่กรณีนั่นคือลักษณะของวิจิตรชาความเรียบแคลงสงสัยนั้นจะออกมาแปดเรื่องใหญ่ๆมันก็แบบเดียวอวิชาแบบเดียวกับวิชาแต่ว่า มันออกมาในตัวหลักคือเรจะเคลือแปลงสงสัยในรูปแต่เจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในใจจิตขาคือศีลสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญานั้นจริงๆเราเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาศาสนาอื่นก็ต้องมีหลักวฏิบัติอย่างเนี้ยแต่เรามองในแง่ของประวัติศาสตร์ศาสนานะมองในแง่นักศึกษาอย่ามองในแง่อุปาทาในมากเกินไปนะ ศาสนาแต่ละศาสนานั้นมุ่งพัฒนาคนให้ได้รับความสุขแต่ว่ามีสวรรค์เป็นเป้าหมายสูงสุดเท่านั้นเองนะฮะแต่เห็นว่ามีมีสวรรค์เป็นเป้าหมายสูงสุดยกเว้นศาสนาพุทธศาสนาเชยนยกเว้นศาสนาพุทธศาสนาเชนที่มีนิรวา a น, นะมีนิพพานเป็นเป้าหมายสูงสุดพูดง่ายๆว่าพุดในสอนทั้งโลกิยะและโลกุตระ ศสนาอื่นก็จะสอนเฉพาะโลกียะแต่ความสุขนานเหมือนกันนะไม่ใช่เล่นนะความสุขนานอยู่รวมกวับพระผู้เป็นเจ้าเวาน้นหนึ่งเดียวกับพรหมันเป็นผู้รับใช้พระเจ้าอะไรแต่ไรเนี้ยที่จริงก็นานนะเป็นความสุขที่นานตรงนี้ที่จริงก็ต้องอยู่ในกรอบของทานของศีลของภาวนาองนะอิสลามก็กต้องละมาศละมาศคือภาวนาคลิ เขก็มีสารภาพบาปมีการสวดมนต์มีการภาวนาในพระเจ้าก็คือภาวนาก็ามีทานนี่นะก็มีทานเขามีการปฏิบัติคุมกายวาจาตัวเองเขามีภาวนาแต่ว่าภาวนาไม่ใช่ระดับที่จะเจริญมิปสนนาบัรู้มรรคผลในภานเพราะวจริงๆระดับสมถะเ น, นก็มีทุกศาสนาระดับสองมถะ น, นี่ก็มีอยู่ทุกศาสนาเพียงแต่ว่าวิธีต่างแตกต่างกันแต่นั้นเองเพราะเนื้อหาจริงๆอยู่ที่จิตสงบ เรียกชื่อยังไงช่างชื่อภาษาเฉยๆหยุดสงบกก็แสดงว่าตรงนี้ถ้าศาสนาอื่นก็คือสงสัยในศาสดาเห็นไหฮะสงสัยในศาสดาสงสัยในคําสอนสงสัยในนักบวชซึ่งเป็นคนที่ปฏิบัติตามคําสอนแล้วสงสัยในตัวหลักทำคําสอนก็เหมือนกันศาสดาอื่นก็จะมีความเครียดแครงสงสัยในเรื่องเหล่านี้แล้วก็สงสัยชีวิตอดีตเห็นไหมฮะ ตกเสียงเรื่องอดีตสงสัยในอดีตสงสัยในอนาคตสงสัยทางอาดีตอนาคตสงสัยในกฎของเหตุผลคือปฏิยจจาการเหตุจจาการเรื่องใหญ่นะที่จริงแล้วสิ่งต่้งหลายนั้นมันเป็นปฏิยจจการอย่างสินค้าพแพงเนี่ยคุณหินว่าที่จริงเป็นปั จ, จิยาการโลกมันจะเกณฑ์รัฐบาลบัญหารนิรมิทอะไรมันก็ปัจจัยการโลกน้ำมันหลากทั่วโลกนะพืชไร่เสียหาย อาหารสัตว์อาหารอาหารสัตว์ต่างๆแพงขึ้นเพราะจํานวนคนต้องการมากแต่ของมันมีน้อยแต่เราไปลดราคาเขาเลยไอ้ไอ้พวกกากรัวเหลืองนี่มันมันจะได้กำไร ห, หรือเปล่าเราต้องมองก็อีกเที่ยวหนึ่งมาเยี่ยมไปลดราคาตรงอาหารสัตว์แล้วเพื่อจะให้สัตว์ถูกมันต้องนึกถึงมันมั น, ม, นมันเป็นกระบวนการนะปัจจัยาการปัจจัยาการชัดๆเลยนะะสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีถามมน้ํำพวกกรุงเทพไหมอีกอีกสิบกว่าวันก็รู้ วันนี้สุบทั่วสุโขทัทยสุขโขทัยก็ไหลลงที่ไหนพรเดี๋ยวก็ไหลลงอยุธยาไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาพรเดี๋ยวก็ได้เรกมันก็ธรรมดาไงนั่นเป็นปัจจัยาการนั่นเป็นปัจจัยาการเพราะงั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจกฎปัจจัยาการแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจนะว่าปัจจัยาการนั้นไม่มีใครจะไปแก้ไขเพราะในปากฏารธรรมชาติกลวัตถุนิยมเนี่ยวิทยาอย่างที่ก็แค่บอกฮะแค่บอกให้แต่อย่างอื่นเขาช่วยไม่ได้เขาช่วยบอกให้แต่นั้นเอง ว่าไต่ฝุ่นอย่างงั้นก่อตัวอย่างงั้นอย่างนั้นแล้วก็แปลกนะท่านทั้งหลายเราสังเกตว่าปีนี้เป็นวิกฤตการณ์โลกแปลกมากเลยแรงทุกส่วนของโลกฆ่ากันตายมากฆ่ากันตายเรืยเกินเมื่อวานก็มุกมนตรีรัฐบัญดาวก็ตายไปตั้งหลายคนบาดเจ็บอีกตั้งเยอะแยะไปหมดเลยรุนแรงนะฮะทีนี้รุนแรงแล้วก็ภัยธรรมชาติแผ่คลุมหมดทุกส่วนมันก็มีข่าวว่าน้ําแข็งขั้วโลกละลายกันตั้งนานแน่เลย มันเกิดความร้อนอะไรต่ออะไรปรากฏการณ์ผิดปกติตามธรรมชาติร้อนจัดอเมริกาคนตายนะฮมั น, ม, นมันมีอะไรไดีแปลกยงเยอะๆเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่จริงแล้วเป็นปฏจยานการสิงนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีเพรธรรมชาติของมันนี่นะเป็นโดมิโนโอ่ะเป็นโดมิโนมันล้มระเนรนาศมานะมันก็ล้มทับกันมาออเป็นแถวเพราะไม่โทษใครไม่ได้มันต้องร่วมกันแก้ไข ร่วมกันมองปัญหาร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่ามองอย่ามองรัฐบาลเป็นเทวดาเห็นไหมลักษณะเรานับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลักษณะอ้อนวอนนิสัยบงสวงออนวอนมันติดนึกว่าเทวดาเป็นพระผู้เป็นเจ้าต้องว่า ง, งั้นต้องอย่างนงั้นเรียกเรียกร้องหมดเป็นนักร้องเยอะนะเมืองไทยเนี่ย <S <S นักร้องเยอะเลยพระก็เป็นนักร้องก็ด้วยนักร้องอรุลกระดุดเนี่ยชอบร้องนะ นี่คือคือก็คือลักษณะอะลักษณะบวงสรวงอ้อนวอนลักษณะไม่ยอมมาเชิญปัญหาจริงๆว่าปัญหาจริงๆเหล่านี้ใครก็ตามตรวไหนก็ตามคือคนนั้นเนี่ยนิรมิตเอาไม่ได้หรอกนิรมิตเอาไม่ได้เพราะถ้านิรมิตได้ที่จริงโลกมันก็อยู่ไม่ได้นะถ้าในิรมิตได้เนี่ยพวกนักร้องนั่นหลายมันขอกระหนุตลุดเลยนะขอกระหนุตลุดอย่างอย่างที่เคยเล่าไว้นิทานเดกขาเล่าไว้ ตัวให้พรนะ่ะให้พรในะขอพร ส, สามครั้งพรสามครั้งผัวจะเอาอย่างนั้นเมียจะเอาอย่างนั้นเถียงกันไปเถียงกันมาข้าวยังไม่ได้หงุงอิวแล้วเมียบอกขอข้าวกินก่อนก่อนข้าวคิปก่อนพอกินพออิม่มก็นึกได้ตายเลยเหลือสองครั้งอสองครั้งเมียก็โกรธในขอได้ไม่ขอข้าวใ้เตียต้ อ, ไตองไปตะมาเถียงไปผัวโกรธก็อขอให้ถาดไปปิดปากเมียยังเหลือครั้งเดียวเท่าไง เมียก็ร้องลั่นน่ะเลยไม่รู้กลัวเมียจะตายนฮะขอให้ถานหลุดจากฝากเมี ย, ยจบเลยเห็นไหมได้พรมาสามอย่างขอไม่ได้เรื่องนี้ได้กินข้าวนิดเดียวเลยทะเลาะกันนี่คือคือคือสิ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่เข้าใจในกระบวนการขเหตุผลทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องของเหตุผลอดีตมันก็มีแน่นอนแต่ว่าอดีตนั้นถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ย มันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดามันเป็นกระบวนการของการเวลาแต่เราจะมีปัญหากับอดีตอดีตท่านเสียกว่าอนุสติคือตามระลึกมาเพื่อเป็นครูแต่นั้นเองครูมีสองครูครูเพื่องดเว้นกับครูเพื่อเพื่อประพฤติต่นั่นเองมันเป็นแบบมันเป็นวิถีชีวิตมันเป็นหลักแต่ความไม่ดีของเราก็หลับจาระลึกเื่อหลับจานะไม่จะลึกเพื่อลล ก, กลุ่ม กรุ๊ปมันแก้ปัญหาไม่ได้แต่หลับจาเนี่ยมันยุติปัญหาได้ถ้าดีก็ทําต่อไปถ้าของคนอื่นเป็นความไม่ดีเราก็ถือเป็นแนวในการงดเว้นถ้าทําดีเราก็ถือแนวในการเดินตามก็เท่านั้นแต่ที่เรามีปัญหากับอดีตเพราะอะไรเพราะว่าเราไปคิดว่าอาดีตนั้นจะไม่ไปเปลี่ยนแปลงอะไรเราแล้วเราก็กรุ่มวิตกกั ง, งวเลเดือดร้อนกับอาดีตจริงๆชีวิตเราอยู่ที่ปัจจุบัน เพราะถ้าเราเข้าใจอดีตแล้วเราใช้ประโยชน์จากอดีตได้เยอะนะอดีตมันเป็นครูที่ดีมากเป็นแบบเรียนสําเร็จรูปเป็นธรรมปฏิบัติสําเร็จรูปยุติแล้วผลทั้งหลายเจตนาเกิดขึ้นแล้วการกระทําเกิดขึ้นแล้วผลนี่เกิดขึ้นจากการกระทําก็เกิดขึ้นแล้วเราก็สามารถใช้เหตุผลต่างๆในอดีตเล่นี้ได้นี่ก็คือเกิดความเครือข่ายสงสัยในอดีตประการต่อไปคืออะไรคือมานะ มนานะความถือตัวมาจากรู้สึกเราเป็นตัวเป็นตนนะฮะรู้สึกว่าเป็นตนแล้วกเกิดมานะว่าเราเป็นนั่นเป็นนี้เป็นโนนปารกอะไรก็ได้เยอะแยะไปหมดกิเลสประเภทมานะเป็นกิเลสที่ละเอียดเพราะงั้นมานะมันจะมีอยุสีมานะเขาเรียกโอมานะอวะมานะอวะมานะอธิมานะอติมานะแล้วก็มานะเฉยๆมานะคือความถือตัวถือต น, นเราเป็นนั่นเป็นนี้เป็นโนนนะ แล้วก็หลงในความเป็นของเราในสุดก็จะนำไปเทียบเคียงคนอื่นเทียบพอเทียบเคียงคนอื่นอาจจะเทียบเคียงในรูปกานตีเสมอคนอื่นรับดูหมิญคนอื่นก็กลายเป็นอิมานะดูมินคนอื่นในรูปของการยอมสยบ ก, ก็เป็นอวมานะเราไม่ได้ไม่เป็นไม่เข้าใจไม่รู้คนอื่นก็ทำได้เราทําไม่ได้ยอมสยบเดี๋ยวมยน ก, ก็ติดเดียกับที เนไมไม่ยอมขยับแค่เยี่ยมบางทีเป็นยอมสยบเป็นเผาพัน์อย่างที่ยัเคยยกตัวอย่างคนสูตรในวันนะ อ, นอินเดียนะฮะคนสูตรในประเทศอินเดียมีประมาณแปดสิบล้านนะนะไม่สามารถไปหมดแล้วเป็นลูกตุ้มทวงสังคมอินเดียนะฮะสังคมินเดียถ้าพัฒนาแก้ปัญหาเรื่องสูตรได้นะให้สูตรมีความรู้มีงานทำช่วยตัวเองได้สังคมไม่ต้องแบกไม่ต้องเลี้ยงเนีน่ยแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้เยอะ แต่โคตรแปสิบล้านอย่าลืมแกกินเยอะกันนะแต่งานการแ ก, กทำไม่คุ้มกับเรื่องที่แกตั้งใจตอนนั้นก็เป็นปัญหาพระพุทธเจ้าเองก็แก่แก่ไม่ไม่เสร็จนะนะสมัยพุทธเจ้าแกได้เยอะแต่แก่ไม่หมดหอกเพราะว่าโคตรมันมีกิเลสเทว่ามันมีบรรณะอย่างหนึ่งท้านเรียกว่าอาธิมาะ ที่ว่าตะ ก, กี้อตินะฮะแล้วอธิเนทอทองนะฮะอธิมานะบางชีก็เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติแล้วท่านหลงผิดเข้าใจผิดแล้ท่านบรรลุแล้วท่านก็ประกาศแสดงท่านไม่ปรบาบบตินะฮะเพราะว่าท่านไม่เห็นกิเลสจริงๆในใจของท่านอีกอย่างหนึ่งเป็นลักษณะสัญญาก็เรียกว่าคัตโยหังอิติมโนมานะว่าเราเป็นกษัตริย์ปฏิบัติตัวให้เหมาะสมในความเป็นกษัตริย์ เราเป็นพระบฏีประตูให้เหมาะสมด้วยความเป็นครับเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นคุณบุตรคุณระศรีเป็นพ่อเป็นแม่เห็นไหมฮะเกิดมานะว่าเราเป็นพ่อเขาหน้าแม่เขานะอ่าเป็นคุณระศรีเป็นคุณบุตรนะเป็นข้าราชการอย่างนั้นอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้งานให้เต็มที่นี่หนเพราะมานะจริงๆจรงๆป้านาคามีอย่างละไม่ได้ลดนะฮะป้านาคามีเองตัวมานาสังโยชน์ในท่านอย่างละไม่ได้คนที่ละมานะได้จริงๆมีเฉพาะฝ่ายราหันเท่านันเอง เพราะมานะเนี่ยมันมันมันมันกึงดีกึงไม่ดีมันแล้วแต่ว่ามานะอยู่ที่ใครถ้ามานะอยู่ระดับนี้ระดับเป็นจิตสํานึกเราต้องทําไม่ได้เกิดเป็นคนหมายมารวชาติเชื้อตึงเจอเสือก็ต้องสู้ดูสกุฏิมันก็เกิดคึกเขมเกิดสู้เราก็หนึ่งเหมือนกันเราก็คนเหมือนกัน <S <S นะเขาก็คน <S <S เราก็ค น, ก, คนก็ทําได้เราทําได้มันมีความแตกต่างอะไรกัน และจะเกิดฮึดสู้ไม่หวัดวันต่ออุปสรรคอันตรายทั้งหลายประั้นที่คนไทยเอามาใช้กัม า, มานะเห็นไะคนไทยก็เรียกว่าม า, มานะคนคนไทยใชย้รูปของการพยายามความพยายามมานะบักบันมุกมานะอะไรแต่ไรนี่ก็ใช้ประการต่อไปก็คืออะไรความกำหนัดในพบ มายความาพอใจติดใจในภพต่างๆที่เปิดมิตพอใจติดใจในการเกิดเป็นมนุษย์จะ ต, ต้องเป็นเศรษฐีเป็นพระราชาเป็นคนรวยๆนะดีๆนะต้องการสบายๆการสบ า, สบายๆอย่างนั้นนะะแล้วก็ต้องการบังเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆเห็นไหมภพเราต้องการภพ เพี้ยงภาวะราคะความกำหนัดในภพติดติดใจยินดีในภพและบางทีก็สยบติดอยู่กับภพตรงนั้นยันี่เคยเล่าเรื่องชนะวัสภายักษ์พระเจ้าพิมพิตสารนะฮะท่านที่วงคตแล้วไปเกิดเป็นเป็นยักษ์ชื่อชนะวสภ์ในชั้นจ่าตูมาราชวรรค์ชั้นเตี้ยที่สุดเลยบอกข้าพระพุทธเจ้าพระเจ้ า, อาเอาไปเกิดทําไมที่นั่เลยพระโสดาบันนี่เกิดที่ไหนก็ได้ทำไมไปเกิดตรงนั้นทําไมเอ ท่านบอกว่ามีคนคุ้นๆอยู่หลายคนมีพักพวกอยู่หลายคนท่านตายแล้วเนี่ยท่านเป็นประโสดาบันทะรึกชาติได้นะฮะพักพวกยังอยู่เยอะเลยก็กลับไปอยู่กับพักพวกเหมือนก็พระที่จริงท่า น, ท, านท่านเลือกได้นะท่านเลือกได้ในสวรรค์ทั้งหมดเนี่ยท่านเลือกได้จะเกิดตัวไหนก็ได้ประโสดาบันเลือกก็ได้คล้ายๆกับเศรษฐีมีทรัพย์มากเลือกพักโรงแรมไหนก็ได้ โดยท่้งเขเลือกเขาพันอย่างนั้นโดยเห็นว่าพระโสดาบันพ ร, ระกศเราเกิดไม่เหมือนกันท่านชอบของท่านอ่ะท่านชอบก็ท่านา น, น, า น, นางปาดีปูชิกาที่เคยเล่ากันเป็นเทพประพศนเป็นบริวารของมาลาพารีเทพบุตรตายแล้วเราดึกชาติได้ไม่ใช่ฮะคือว่าเกิดแล้วระลึกชาติได้ทําบุญทํากุศลต่างๆเป็นนั้นมากขอไปเกิดในตำแหนังของมาลาพารีเทพ ป, ปุะภ ไม่ได้คิดเป็นเจ้าวิมานนะคิดเป็นบริวารชอบเป็นบริวารชอบเป็นคนใช้ปรารถนาความเป็นคนใช้อันนี้คือคือกำหนัดในผมกำหนัดในผมก็ตั้งกติกในผมเราจะเห็นว่ามันก็ไปได้เรื่อยๆเหมือนกันพบแต่ว่าที่มีปัญหาเพราะตรงไหนเพราะว่ามันเป็นสังโยชน่ปูนใจเราไม่หลุดพ้นจากสังสารวัตรเป็นอีกระดับหนึ่งนะท่านเห็นว่าภาวะราคะเนี่ยมันเป็นสังโยชน์ระดับสูง พระนาคามียังละไม่ได้เห็นไหมพรานาคามีจะเกิดในภพคนในละได้ใกล้็คือพระพุทธเจ้าพระอาราคันพระปฏิยมพุทธเจ้ามีคนสามพุทธาเองละได้แต่ท่านสอนในลักษณะลดว่าถ้ากําหนัดในภพก็เปลี่ยนภพสูงหน่อยเห็นไหมการบุญกุศลระดับวัฏจารมีระดับที่เราทำในทานสินภาวนาก็คือการตกแตกภพไปมันประณีงขึ้นไม่ได้ขุดคิดหลุดพนด้นจากภพเลยนะฮแต่เกิดก็ให้ไกลนรกหน่อยเล็กน้อย ใ okay. นรกในรกหน่อยยังน้อยก็ปิดประตูนรกจะเสี่ยงใ น, นรกเกินไปก็ยังเกิดนะฮะที่ยิงก็ยังยินยังยินดีในพเพราะว่าระดับนี้เป็นระดับที่เขาพูดถึงชั้นสูงน ะ, ะแล้วก็มาสรุปตอนสุดท้ายที่อวิชชาท่านทั้งหลายลองสังเกตถ้าเราเกาะกลุ่มทั้งทั้งทั้งหมดตะกี้เนี่ยหกข้อเนี่ยนะฮะยินดีเป็นกิเลสประเภทโลภะ ใช่ไหมฮะยินดีเป็นกิเลสประเภทโลภยินร้ายเป็นกิเลสประเภทโทสะมิจฉาทิติเป็นกิเลสประเภทโมหะเห็นไหมโลภตูสะโมหะวิจิกิจฉาเป็นอะไรเป็นโมหะมานะเป็นอะไรเป็นโมหะเพราะว่าราคะเป็นอะไรเป็นโลภเห็นไหเป็นโลภโลภละเอียดนะโลภละเอียดอวิชชาเป็นอะไรเป็นโมหะ พูดไปพูดมาก็โลกปวดหลงมันแล้วมันไม่ไปไหนเรากินเระนะก็เจอโลกปวดหลงอยู่เรื่อยเลยแต่ว่าเป็นการพูดระดับไหนตัว น, นี้เป็นการพูดระดับอยู่ภายในจิตล้วนท่านเดน้่าอยู่ภายในจิตล้วนเลยเป็นความคิดความเห็นความรู้สึกซึ่งจิตนั้นเป็นธรรมชาติที่เราเรียกว่าเหมือนกับน้ําไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสผูกพวกนี้เข้าไปผสมมันก็เปลี่ยนสีไปเรื่อย เปลนสีเปลี่ยนกลิ่นเปนลี่ยนรสแต่ต้องเข้าใจไม่ใช่รถของน้ํานะ <c oughs> เป็นรสอย่างอื่นเป็นรถอย่างอื่นยสดรถของที่ปลอมลงไปในน้ําน้ําหวานมันไม่ใช่น้ําหวานแต่จริงน้ําตาลมันหวานแต่เรานับตาลไปใส่ในน้ําเราก็เรียกว่า ah น้ําหวานเลยน้ําถูกเรียกว่าน้ําหวานไปด้วยน้ําเหม็นน้ําไม่ได้เหม็นนะน้าไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีร groans. นะจิตก็จะมีลักษณะอย่างนั้น วามสังโยชน์ที่เป็นนวิชาก็คือความไม่รู้ในแปดเรื่องคือความไม่รู้ในเรื่องอรยิยสัจสี่สี่ข้อนะแล้วไม่รู้ในอดีตอนาคตทั้งอดีตอนาค ต, ตกฎปัจจัยาการเห็นไหมเหมือนกับวิจิกจรเศรษฐีเพราะกิเลสพวกเดียวกันแต่ว่าเป็นเรื่องแปลกว่าเวลารู้ขึ้นมาเนี่ยรู้เฉพาะอรยิยสัจสี่นะเห็นไหมพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดถึ ง, ถงเรื่องอดีตอนาคต ทั้งอดีตอนาคตกฏปฏ จ, จยาการเพราะอะไรเพราะเพราะในความรู้อริยสัจสีนั่นเองทําให้รู้อดีตอดีตชาติเลยเห็นไหมเขาเรียกอัตติตังสยาเนือผูเฝี่ยวสารติยานอนาคตก็ ร, รู้รู้ทั้งอดีตอนาคตก็คือรู้กรรมที่ปรากฏในเกิคขอนาคตบางทีมันเป็นขณะน่ะคละวินาทีนะห่างกันนะแล้วกฎปฏจยาการก็คือที่จริงก็คืออริยสัจ เราจึงพบว่าตอนพระเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆประทับอยู่ที่ต้นโพตรัสรู้เสร็จแล้วนะฮะพิจารณาปัจจัยาการหรือปฏิจจสมบัติทุกเจ็ดขันตกลงว่าเอาก็จริงๆก็มารู้แค่อริยสัจทั้งนั้นแต่พอไม่รู้กระจายตัวเองเออกไปเป็นแปดแต่พอรู้พูดแค่สี่เท่านั้นเองพู้แค่รู้อริยสัจแล้วก็จบแล้วกลายเป็นวิ ช, ชาสามก็ได้วิ ช, ชาแปดก็ได้วิชาหกก็ได้นะฮะเป็นคุณสมบัติของพระหรันทังนั้น ตัวในทรงสอนในแนวของการให้มองเห็นโทษและพยายามลดละจึงเรียกว่าปาหานั้สูตรคือสูตรที่ควรแก่การลดละบอกว่าพยายามให้ขาดเหมือนอะไรเหมือนกับตานยอดด้วยตานยอดด้วนในอุปมาพระประราชิก็เป็นตานยอดด้วยนะฮะเพราะอะไรเพราะมันเห็นภาพตานยอดด้วนมันมีทางเยือกเนี่ยคนหัวขาดศิลาที่แตกเป็นแผน่นใบไม้ที่หล่นจากขั้ว มันไม่มีทางเขียวแล้วมีทางเจริญอีกเพราะงั้นทิ่งเหล่านี้ตัดในลักษณะที่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงคือไม่เกิดขึ้นมาได้อีกเป็นเป้าหมายสูงสุดสะสมรับวันนี้ก็ขอยุดติว้ยในเวลาเป็นทนีที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีท่านสะธารชนทลายโดยทั่วการทุกท่านเ อ, อื